อ oh, ๋อ น, น, น่่อเียไวงสยมไงร่างตัวดีนี่ยมเย่นนเห็นมเห็นชัดเนมือียงมันสูงนะมอกววัป เอ้เลือดไปยังสมองไม่พอไอันหนือย่าแล้วก็ปอดอหาอขหาใจทำงามน่าสะดวกอันหนึ่งเราเข้าใจมันเต้นไปถึงเท่าไหร่แล้วยุดกึศแล้วเอาตัวไว้ให้เขาเต้นไปถึงจังหวะก่าแล้วหยุดอีกเสียงอันหนึ่ง เขาใจทํางานอ่อนแล้วว่าเกิดไปเลี้ยงสมองเลยพอมันทาให้เกิดยุ่งเหยินเรายอมรับเพราะเราก็งงอยู่นี่ฉันหันได้มากเลยมากมันแทนที่ยีกองยางไปไหนมานสะดวกสบายกลับไม่เว้นอย่างนั้นความยุ่งเหยียนมันไปตามๆมันไปเลยกองยังไม่กองยางมันต้องผ่านความยุ่งเหยียนนี้มันไปด้วยกันท allora. so, ี่ทําให้เรา เฮ้ยแฟนชื่อลเขาบอกวกาบายอะไรมาไหนองตัวทํามถึงเป็นอย่างีลู่กคนยนือนนี่่สำคัอหมอก็มาบอกเราก็ยอมรับเขาะเราเป็นอยู่แล้วนี่วะเออแปลกเนาะแล้วก็คอเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นข้อ์ดที่มันเป็นหวันเป็นหวัดเป็นอะไรลักษณะหวันเป็นหวัด เพราะว่าเป็นเพราะปอดเขาอธิบายให้ฟังแทนที่มันจะเป็นเหมือนเป็นหวัดอยู่เป็นหวัดตัวตัวหวัมไม่ใช่หวัดแล้วก็บอกว่ามไม่ใช่หวัดมันเป็นมาสามปีกว่าแล้วว่ามันไม่มากกว่านี้มันหายเป็นั้างวันอย่างนั้นเริ่มเลยลนะเราไหว้พระย่อ ย, ยแล้วก็ทำจังคืออะไร มันเมื่อยเอาง่ายว่ายาบทไม่เสมอวันวันท่านท่นว่าเส้นไหนพอดีอะเป็นตามเส้นแต่เส้นเส้นทั่วไปที่มันจังหวะของมันมันเปลี่ยนยาบทไม่เสมอมันก็ขัดเข้ามันส่วนเส้นที่มันตึงอะไรมันก็อ่อนส่วนเส้นทั่วไปที่ไม่เปลี่ยนยาบทเสมอมันก็ตึงเขอามันเนี่ยอย่างนั้นนะทุกวันนี้ผมท่าแขนมีอํานาจมากนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้เดินยังกรมไม่มีประมาณนะไม่มีเวลาเวลาคืออันนี้บังคับช่วงทุ่มห้าทุ่มบ อ, อกว่าเดินก็มมีเวลามันบีบมันบังคับต้องเอาความสะดวกจากการเดินขี้ขายเส้นนะค่อยอ่อนแ ล, แล้วค่อยสะดวกแล้วเข้าไปพักได้เวลามันบีบเวลาไหนนั่นละ่ะต้องออกอางทีตีหนึ่งออกก็มี ออมาเดินอย่างผมถ้าไปไปข้างหนก็เดินอยู่หน้ากุฏิแต่เดินอยู่หน้ากุฏิมันสั้นมันไม่เต็มเก้าอันนั้นเดินเต็มเก้าเพราะกลางคืนมืดมิดมันมีเส้นยาวๆขาวๆนะ่ะพอหวอเดินเห็นเส้นอยู่แล้วมันก็นเดินคเดินเต็มเก้ากกึกกึกค่อ ย, ย, ยอ่อนลงอ่อนลงค่อยสบายสบายพอรู้สึกว่าสบายแล้วทีนี้ก็มาได้เข้านอนมันก็หลับ คือมันไม่บีบไม่ควรถ้ามันบีบมันควรนอนไม่หลับนะต้องไปคลี่คลายแบบเนี้แบบเดินอย่างอื่นไม่ได้นะแล้ว<อ>แต่มันบีบแย่ไหน <c oughs> ก็ต้องไปออกเวลาลั่ น, น่ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวนี้ไปงั่นนะเอากดเอาเกณฑ์ไม่ได้เลยที่ตีสองออกก็มีออกไปเดินหัอ <c oughs> นอย่างงั้นนะตีสามออกก็มีแล้วแต่มันจะบีบบางคำามื้อไห เพราะนอ น, นไรๆนี่มันไม่ได้นอนมากนะรับนิ่งยัยงไมอยากไปนี่หน่อยถ้ามันไม่กวนมันก็ไม่เป็นไรมันก็สะดวกสบายข้งมันถ้ามันกวนแล้ววนั่นแหละเลยออกเปลี่ยนให้มากำหนดไม่ได้เวลานี่เดินย่งกลุมไม่มีกำหนดไม่มีเวลาเลยดูแต่ธาตุขันมันบิดตอนไหนตอนไหนก็ต้องไปที่ขายตอนนั้นตอนนั้นเลยเดี๋ยนี้ธาตุขันมี มันมีอำนาจมากนะบีบเราอย่างอื่นไม่มีเส้นสำคัญมากนะเส้นตึงอ่ะไปให้ดรดกระดุมเงินเยียงน่ะมันเสยียรมันระวังยากนะมันมีมาเยี่ยงมันอะไรพูดไม่ถูกเลยมันรุ่นกับเจ้าของอื่นเนี่ยอืม อ้อนี้เขาให้ดูกันดีกว่าโอ้ยไอมเท่าไหรนะ่นะเข็มมันไม่เห็นเห็นเข็มเดียวฮะหะโกโมงสามสิบสองฮะเท่าไหร่สามิสองเลย ห, หโกโมงสามิบสองเมันไม่เห็นเข็ม น, นะตาผม อย่างนั้นแหละตาคนแก่พอดูได้ก็เลย <c oughs> ถ้ามีเท่าไหร่เวลาอยู่นี่อยู่ที่นี่ที่มาใหม่มาที่ไหนบ้างมารวมกันได้มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่วันนี้มันเหนื่อยพอแล้วตั้งแต่เช้ามายันค่ำไม่ค่อยมีเวลา น, น, นะวันนี้นะ เกี on, てて่ยว e. แับแกับคนเรื่อยๆเอียบทก็ไม่เสมอคนนอดเส้นจากแล้วก็มารับแขนไอ้รับมาเรื่อยๆมันคั่มนี่เราเป็นห่วงพระเน่นมากขึ้นทุกวันนะในการปฏิบัติศาสนา ของพระเนรเราเวลานี้รู้สึกว่าเหลวไหลอ ย, อย่างมากทีเดียวนะไม่ใช่ธรรมดาุนเป็นหน้าวิตกทั้งท่านทั้งเรามันพอๆกันจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้นะท่องที่เล็นี้มันมีอยู่กับหัวใจของทุกคนบีบบังคับมันไว้มันก็ออกดื้อๆต่อหน้าต่อตาเพราะมัน เป็นอัตโนมตัติคือความเคยชินขล่องแค่วของมันที่มันใช้จิตเป็นเครื่องมือทำงานเพื่อวัตจักรของมันอยู่บนใหัหวใจของสัตว์โลกและก็สร้างกองทุกในหัวใจตลอดเวลาเนี่ที่โลกมองไม่เห็นเลยเราอยากคูดอย่างนั้นนะ จุดที่มันเป็นภัยต่อโลกคืออะไรสรรพสัมาระที่เรียกว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เคลือบแฝงเป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในใจเคลือบน้ำตานอนไว้อย่างมิดตัวให้มองไม่เห็นกิเลสเลยทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่อันนี้ที่สัตว์โลกไม่มีเวลาตื่นนอนได้ เพราะยาเครือบน้ําตาลของเบลมันซึมซาบไว้หมดให้พอพอใจทุกสิ่งที่มันผลักดันออกมาให้แสดงอย่างไรเป็นเครือบน้ําตาลออกมาพร้อมมาพร้อมที่จะใหสัตว์ทั้งหลายติดพันหลงกับมันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวย <c oughs> อย่างหยาบมันก็เครือบไว้อย่างหยาบ อย่างปราณอย่างละเอียดละเอียดขนาดไหนมีเครือบไว้เสร็จไว้เสร็จไม่มีฤทธิ์ตัวใดที่จะไม่เครือบน้ําตาลเป็นเครื่องร่อไว้กับกิริยาของมันที่กัะดันออกมานี่แหละที่เป็นน่าท้อใจออกมากนะพระผู้ปฏิบัติเราเพื่อมรควิภานี้พอเป็นเอกเทศบ้าง ซึ่งจะควรทราบพิษภัยของมันที่อยู่ภายในซึ่งถูกน้ําตาลเคลือบเอาไว้เคลือบเอาไว้ตามขนาดแห่งที่ ท, ที่มีหนาแน่นเบาบางขนาดไหนความเคลือบน้ําตาลล่อรวงสัตวโลกของที่มันจะเคลือบไว้เป็นชันนนนน้นๆั้นชั้นชไปเลยนี่คือหลักธรรมชาตินะ ท่านทั้งหลายไม่เคยทราบให้จําให้ดีนวนถึงขั้นเวลาจิตมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมสิอง น, นี้จะค่อยปรากฏขึ้นกับสติปัญญาของผู้บำเพ็ญขั้นต่างๆของสติปัญญาจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้มาเป็นลำดับแล้วก็จะเริ่มเห็นพิกเห็นไข่ไป <c oughs> ถ้าไม่มีการ อบรมขิตใจนี้บ้างเลยแล้วกี่กับกี่กันเบื้องต้นเบื้องปลายของวัตตะวันที่เครือบปิดน้ำตาลนี้จะไม่มีสิ้นสุดนิติลงโดยลำพังตนเองเลยจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วนั่นแหละนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระไถยคือมันมองเห็นตัวภัยจริงๆไม่ได้เลยของใจโลก เพราะที่เหล็กตัวเครือบ น, น้ําการมันไม่ห้มองมันให้แต่ความพอใจเป็นเครื่องน้ําการออกมาออกมามากเนี่สําคัญมากแล้วเวลานี้แสงชันาก็ค่อยเป็นเกาะเป็นโอนหดย่นเข้ามามากเข้ามามากเข้มามาแล้วนะคือที่เหล็กมันห้อมล้อมมันตี ตลาดเข้ามาเรืเ่อยเรื่ยไม่ให้มองเห็นเลยนะนที่เลียนนี่ตีตลาดเข้ามาทุกด้านทุกทางโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันมาทุกแง่ทุก ม, มุมไม่รู้เลยก็คือวัตถุต่างๆนั่นแหละที่เป็นเครื่องหลอกลวงมันมาทุกแบบนะวัตถุต่างๆที่ เป็เครื่องมือของเอตเป็นกลอุบายของเอตที่ไม่ลบล้างทำมันยกตัวของมันให้เป็นที่สนใจต่อสรรโลกมีน้ำหนักขึ้นทุกวันทุกวันกระจายตัวออกมาทุกแบบทุกฉบับมองไม่ฉันนะล้ำพังสติปัญญาธรรมญาญี่มองไม่ฉันมันออกทุงงทกแง่ทุ่งมีแต่พิเอต่อมล้อมภายใน จ, ใจิตใจ อยู่ตลอดมาแล้วก็อาศัยสิ่งที่มาล่อหลวงภายนอกกลมายาของมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาทางภายในนี้ก็เชื่อมความหลงก็มีแล้วผักกับไตของเรามันก็ออกรับกันได้ง่ายได้ง่ายหลงกันได้ง่ายรู้กันได้ยากนี่มันสอดมันแทรกมาทุ่แน่ทุ่งมลความทุกข์ความทรมานก็ ร, นรู้ทุกสัตว์ ทำไมใจเป็นนักรู้จะไม่รู้แต่ไม่มีใครเห็นโทษของมันทุก็ยอมรับว่าทุกดินก้นกรวนกว็วายกะเสือกกสนจนถึงขั้นลงขั้นตายก็ไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์นี่ว่ามาจากไหนเนี่ยมันสำคัญตรงนี้นะมันยิงสอนให้อบรมจิตใจคือให้ดูใจใจนี้คือมหาภัย เนื่องจากกิเลส ต, ตัวมหาภัยฝังใจอย่างลึกมากเกี่ยวจนไม่อาจมองเห็นได้เลยว่านี้คือใจแชรมันมีแต่ใจที่ เ, เต็มไปด้วยกิเลสออกมาแงในมุมไหนความหลงออกมาพร้อมความเชื่อตามกิเลสออกมาพร้อมออกมาพร้อมทีิยาของจิติีชิตเช่นสังขารปุงขึ้นมา ปรุงเรื่องอะไรก็ตามความเชื่อจะขึ้นมาพร้อมพร้อมเลยนะมันไม่ให้รู้ตัวเลยว่ามันหลอกมาพร้อมปรุงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องราวอะไรก็ตามดีชั่วทําให้ติดได้ทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ได้ว่านี่เป็นเรื่องชั่วนี่เป็นเรื่องดีควรติดไม่ควรติด มันเป็นของควรสำหรับกิเลสที่จะหลอกสรโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยโลกยึงรู้ไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูใจเ <c oughs> ช่นบำเพ็ญภาวนานี่คือเรียกว่างานของใจโดยแท้ที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นภัยต่อตนเองให้ค่อยลู้เนื้อลู้ตัวค่อยขยับขยายออกในสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้น เริ่มตั้งแต่สุดใจเป็นฟืนเป็นไฟเข้าสมาธิไม่ได้นะคือจิตเหลวมันเตีออกไปเตีอยไปจิตมันจะฟุ้งเพ้อเหือห่อหืม ด, ดิ้มตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอนี่คือเรื่องของจิตเหลวล้วนๆผลักดันออกไปให้คิดให้ปุุงไม่อิ่มไม่พอไม่เข็ดไม่ลาบมีแต่เชื่อมันเรื่อยๆไปตลอดเวลาหาความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ท่านจริง สอนให้เขามาดูจิตด้วยสตินานขึ้นแล้วนะนี่เราตูที่จะรู้นะให้รู้ด้วยสติดูจิตเช่นผู้ภาวานาอยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรก็อย่าไปคิดอะไรมาก <c oughs> ให้นําคำบริกรรมภาวานานั้นมาติดแนบกับใจไว้อย่างเอาจิงเอาจังด้วยสติจริงจังเช่นเดียวกันอย่าหวังมักหวังผลอะไร นอกจากคำบริกรรมที่กําลังบำเพ็ญอยู่ด้วยสติในเวลาปัจจุบันปัจจุบันนั้นเท่านั้น <c oughs> นี่ผู้นี้แหละผู้จะค่อยระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมที่เป็นฟืนไฟซึ่งกิเลสมันตัดดันออกไปให้ค่อยทราบก็มาบีบับบงคับมันอยากทิดเรื่องนอกใครความอยากนี่ให้ถือว่าเป็นภัยอย่างยิ่ง ต้องเอากันขนาดนั้นไม่งั้นเอากันลงไม่ได้นะจิตเข้าสงบงไม่ได้เป็นสมาธิความสงบเย็นใจบั่งไม่ได้นะถ้าไม่ใช้สติปัญญาความฝ่าฝืนบีบบังคับกันจริงๆด้วยจิตตภาวนามีสติเป็นเครื่องบงังคับจิตใจไม่ห่างเหินจากกันเลยนี่คือเรื่องเอาจริงเอาจงังที่ใจเห็นโทษเห็นคุณของธรรมและของกิเลสภายในใจ ดวงเดียวกันนั้น <c oughs> ต้องใช้ความอดความทนความบึกความบื่นความฝ่าฝืนทุกอย่างด้วยความภาคเพียรเร่ระบรยกรรมทาบทใดก็าตามอนพุทโธพุทโธให้ตั้งหลักเกณฑ์นร้าอยาหวังมักหวังผลอะไรนอกจากคาว่าพุทโธกสติกลมตื่นกันด้วยความเพียรเท่านั้นนี่แหละหลกฐานเบื้องต้น ที่จะระงับดับความฟุ้งเฟอเเ้อเห่อเหิมดิ้นรนกวดแขงของจิตได้ด้วยอํานาจแห่งคําบริกรรมที่บีบบังคับมันไว้เพราะสังขารที่มันเคยคิดเกิดปุ่งนั้นเป็นสังขารของสมุทยัยก่อไฟเผาตัวแต่สังขารที่คิดขึ้นด้วยคําบริกรรมคือพุโทโธเป็นต้นนี้เป็นสังขารฝ่ายมรรคที่จะระงับดับสังขารฝ่ายสมุทยัยลงด้วยสติเป็นเครื่องกากับตลอดเวลา นี่แลที่เราจะได้เห็นเหตุเห็นผลในส่านตั้งหลายจำเอาไว้นะผมแก่แล้วผมห่วงมากห่วงห่วงเพื่อนสำหรับผมเองผมไม่มีอะไรแล้วก็เคยพูดให้สั่งแล้วอยู่กับโลกนี้ผมอยู่เพียงเป็นกิริยาเฉยๆผมพูดกลงๆอ่าพูดให้มันเต็มยศเลยก็ว่ากิริยาอันนี้ใช่เพียงโลกสมมติเพียงเท่านั้นตามขนึประเพณีที่โลกยอมรับ กันก็ปฏิบัติตามกิจยาที่โลกยอมรับกันผิดก็ยอมบอกว่าผิดกิจยานี้รักษาไว้ไม่ให้ผิดถูกก็ยอมรับว่าถูกกิจยานี้ก็ดาเนินไปตามความถูกต้องนั่นประจําขันของตนของตนส่วนจิตที่จะมาเกี่ยวข้องพัวพันได้เสียกับสิ่งเหล่านี้มันหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงแล้ว ในแดนสมมุตินี้ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกในจิตใจนี้เลยจะเรียกว่าจิตใจนี้นอกสมมุติไปหมดแล้วก็ไม่ผิดด้วยความท่านัดชัดเจนในหัวใจของเราที่รู้อย่างนั้นจริงๆตั้งแต่ที่เคยเกล่าวให้หมู่เพื่อนฟังมาสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามฟ้าดินถล่มในหัวใจนี้ก็คือกิเลสพังลงจากหัวใจนั่นเอง ที่ใจมืดมิ ด, มดปิดตามีแต่กิเลสทั้งนั้นนะเวลาได้มันกระจางขึ้นมาแล้วถึงได้เห็นโทษของมันเต็มร้อยเปอรเซ็นมันจะสว่างสวัยมากน้อยไม่เต็มเม็ดต็หน่วยสิ่งที่ไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละคือกิเลสกูอี่ขวางปิดบังเอาไว้ไม่รู้ให้เห็นทั้งสิ่งทั้งหลายมีอยู่เต็มโลกถาดเต็มเมด็ดเต็มหน่วยไม่เลยบกคล้องอะไรเลยแต่จิตมันก็ไม่มองไม่เห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลาย ิเหล็กลบล้างไม่หมดลบล้างไม่หมดไอ้เราก็เชื่ออความลบล้างของเกศว่าสิ่งนั้นไม่มีไปตามที่เหลือเสียเนี่ยอันนี้สำคัญ ม, มากทีเดียวนะที่สัตว์โลกได้ล่มจมเพราะอันนี้แล้วมันมีคำว่าเ็ดลาบอิ่มพอนะความชิดความปรุงของใจนี้เราอยากเข้าใจว่ามันจะอิ่มพอไม่มีตื่นนอนขึ้นมาชิดแล้ว ติดเครื่องวัตจักรเต็มหัวใจแล้วตั้งโจ๊กถึง น, นอนจนกระทั่งหลับถ้าไม่มีการหลับมนุษย์นี้ตายง่ายที่สุดไมได่ไปถึงไหนตายเลยมีระงับกันในเวลานอนหลับเครื่องคือกิเลสทํางานก็ระงับดับกันไป <c oughs> พอตื่นขึ้นมาก็ทํางานแล้วนี่คือไม่มีอะไรหกักห้ามกันเลยเป็นธรรมชาติของกิจที่ทํางานเนะี่ยเป็นวัตจักร โดยอัตโนมัติของตัวบนหัวใจสัตว์เป็นมาอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นทีเวลาเราใช้ความพิถีพิถันเอาจริงเอาจังต่อเหตุต่อผลต่อตอัตตธรรมจริงๆแล้วเราต้องไดใช้ความเข้มงวดกวดขันความอดความทนต่อต้านกันเหมือนเขาขึ้นต่อยกอนกันบนเวทีนั่นแหละใครอ่อนข้อไหมไอ้น่ะการตอบอ่ อ, อนล<ช>ึก<อ>ชกกันบนเวที ต่างโกนต่างเอาชัยชนะเวลานี้กิเลสมันมีชัยชนะก่อนตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีอยู่แล้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นกับความเพียรของเราจึงเลีวไหลเล้ยวไหลตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีพอขึ้นเป็นเวทีแล้วก็หงายท้องให้กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาเลอดเวลาหาสติไม่ได้คําว่าความเพียรไม่ทราบอะไรเป็นความเพียรภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นสติก็ไม่มี ความบังคับก็มีแต่ความเพื่อสะดวกสบายนั้นคือทางของเกลีดมันเอาไปแล้วเอาไปแล้วให้ชิดทางกองเกลเยดนี่สบายสบายมันสบายเพื่อฟื้นไฟเผาตัวเองต่างหากไม่ได้สบายเหมือนอัดเหมือนทำที่ได้รับความทุกข์ยากในการบีบบังคับต่อสู้กันในรแรกแล้วต่อไปก็ได้รับผลขึ้นมาเป็นความสบายสบายอย่างนี้ในวิธีการของเกลีดไม่มีแต่วิธีการของธรร ม, ม เวลาต่อสู้กันหนักขนาดไหนเรื่องของอะระหว่างความเพียรกับกิเลสมันจะฟัดกันอย่างหนักคือกิเลสต่อสู้เราบังคับให้อยู่กับคําว่าพุทโธกิเลสจะลากออกนอกจากพุทโธเป็เรื่องของมันล้วนๆ ร, ร, รอบตัวเลยเนี่ยอันนี้สําคัญมากท่านทั้งหลายจํำมาไว้นะอยากไปเสียดายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยทิ้งมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจ น, นุบัได้ผลประโยชน์อะไร ก็เรื่องีิเลสทำงานบนหัวใจมันจะเอาผลความดีงามสุขสบายให้เราที่ไหนมันก็มีแต่สร้างโกงจับเขาหัวใจเราสร้างฟุนสร้างไฟเผาหัวใจเราสร้างโกงจับผันหัวใจเราตลอดมาและจะตลอดไปไม่มีสิ้นสุดต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันเพื่อหักโกงกรรมวัฏจักรด้วยอำนาจเบื้องต้นมีคาบริกรรมต้องห้ามปัปอย่างหนักนะเอาพุโถเท่านั้นนะ ไม่ต้องไปมุ่งอะไรนะเราบริกรรมคำไหนก็ตามตามเจดีย์นิสัยที่ชอบแต่นี่ผมบอกออกมาคาว่าบุถูบเป็นจุดศูนย์กลางต่างส่วนที่เหมาะสมกับจดีนิจใจนิสัยของผู้บมเพ็ญในธรรมบทใดให้ดิดธรรมบทนั้นเป็นหลักมีสติจับอยู่จุดนั้น <c oughs> อย่าปล่อยอย่าวางนีย่ยาอาการที่เคลื่อนไหวเป็นมาก คำบริกรรมกับปิติกับสตินั้นให้ทํางานตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้ทําความเพียรจะได้รับความสงบในวันหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยขอจะยาถอยไปแล้วกันนี่แหละการตั้งรักษาเมืองตน้นตั้งยากนะตั้งยากเรื่อนี้ผมได้ทํามาแล้วนะไม่ใช่ไหมสอนหมู่เพื่อนแบบหมูปลาปาไะทํ า, านะทมาแล้วแบบจริงจังอย่างที่ว่านี้ด้วยนะ การที่เคยพูดถึงเรื่องติดเสวมมาเป็นปีกว่านั้นอเสื่อมแล้วเจริญเสียมแล้วเจริญหาผามกองทุกแบกกองทุกนี้ไม่แห่ไม่มีกองทุกใดที่จะมากยิ่งกว่ากองทุกของจิตที่เจริญแล้วสว่อมเจริญแล้วเสวมซึ่งปรากฏตับหัวใจของเราจงกระทั่งถึงความเฉดลัะเลยอืถึงขั้นที่ว่า จิตพอได้หลักขึ้นมาเป็นความสงบแล้วต้องเอาตายเขาว่าคราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นสิมันอาจเป็นได้นะสำหรับนิสัยของผมนี่มันเด็ดขาดจริงๆเราก็เทียบเอาพระโคติกัดนั่นแนหะมาเป็นตัวอย่างท่านฆ่าตัวเองตายนะเพราะจิตท่านเสื่อมใน ข้างนั้นท่านบอกว่าฌานเสื่อมฌานเสืม่มก็คือสมาธินั่นแหละเสืม่มฌาน่ะก็แปลว่าความเพ่งความเล็งอยู่จุดเดียวคือจุดแห่งความสงบนั้นมันเสริมไป <c oughs> ทีนี้ไม่มีตัวงจุดไหนที่จะจับจะห้องจะแวะจะอาศัยพึ่งผิงได้ทีนี้ก็มีแต่ความว้าเวิเสษใดความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของฌานนั้นโดยทาาเดียวโดยไม่มีสิ่งตอบแทนคือสมหวังสมหวัง ว่าเป็นความสงบตามความมุ่งหวังแล้วอย่างนี้ไม่มีนั่นละกองทุกเกิดขึ้นเวลานะท่านแสดงไว้มีถึงห้าครั้งหกครั้งนะพอครั้งสุดท้ายท่านก็เอานี่โกนมาชฉนขอยในอันนี้ในตำราพูดไว้ไม่ ช, ชัดเจนนะแต่เราก็เข้าใจเวลามาปฏิบัติแล้วเข้าใจเวลาอ่านตำราไม่ค่อยเข้าใจลักษณะเป็นมัวมัวอยู่ พูดถึงเรื่องพระโคจิกัดในภาคปฏิบัติของเรามันก็จับกันได้ทันทีนถึงก็อาจที่ว่าเอาไม้โกนมาจวนขอแล้วเลือดทะลักออกมาเกิดความพิพจารณาท่านมีปรัญญาของท่านอยู่แล้วเลออนั้นเป็นอารมณ์แห่งจำพิจารณานั้นตรัสทะลุขึ้นมาในเวลานั้นไปได้เลยที่ว่าพยายามมาคุ้ยเสียขุดค้นหาจิตตวิญญาณของท่านเนีย เพราะพญามารมันไม่พอกับความโลกมันครอบหัวใจสัตว์โลกให้อยู่ในเงื้อมมือของมันมันเป็นนายใหญ่เลี้ยงกับพญามารที่นกิจพระโคติกัดหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปมันจึงต้องคุ้ยเขี่ยขุดค้นอย่างสุดเหวี่ยงเลยปรากฏในนามตำราว่าความมืดมัวของดินฟ้าอากาศมืดไปหมดพอ่อฤทิ์ของพญามารคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาจิตดวงวิญญาณ ของพระโคติกัดเพียงดวงเดียวเท่านั้นถึงพระพุทธเจ้าได้มาประหลาด ป, ปราบรามออกว่าพระโคติกัดเธอจะมาคุยเขี่ยขุ้นค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดซึ่งเป็นลูกของเราแต่โค้ดทั้นเธอไม่มีหวังจะพบแล้วเพราะพระโคติกัดของเราได้หลุดพ้นจากอํานาจของเธอถึงขั้นอรหัตตภูมินิพานไปเรียบร้อยแล้วนั่น นี่แพยามาลมันโลภขนาดไหนชัอยู่ในแดนโลกชาติที่มันขรอบอํานาจไว้หมดเพียงจิตวิญญาณของบัคโคดิกัดดวงเดียวทําไมมันไม่ปล่อยมือมันยังตามผุดค้นเอามาไว้ในอํานาจของมันจนได้นี่แหละกิเลสมันพอที่ไหนทีนี้ความคิดความปรุงของใจเราซึ่งเป็นพยามาลอันหนึ่งมันบีบบังคับอยู่หัวใจของเรามันเป็นเจ้าอํานาจเที่ยวพยามาลกิเลสประมาณ มันครอบมีชีวิใจมันลากมันเข็นให้คิดให้ตุงไปตามแนวแถวของมันจนได้จนได้ดึงเข้ามาสู่อสุจรมมันไม่ยอมมาน่ะมันเสียดายความคิดความตุงหามาเป็นเป็นการระบายออกแห่งความทุกข์ความต่อยมานเพราะการฝึกสะมาลจิตใจเป็นขอบทุกในขั้นเริ่มแรกแล้วการล่อยตามเรื่องนี้มันรู้สึกว่ามันที่ค่ายแล้วถ้า้ข่ายไปเพื่อจะมัดหัวเราด้วยอํานาจของจิเฉลี่หลอกลวงนั่นเองแต่มันไม่รู้นะ เนี่ยจึงต้องได้ใช้บทหนักในขั้นทุกคนเอาให้จริงหนานี่แหละการจงมรรคทรงผลจะทรงในจุดนี้เป็นแน่นอนนี่ผมนี่พูดมาเป็นตัวอย่างแต่ท่านทั้งหลายผมตั้งได้จุดนี้ถึงขั้นเป็นขั้นตายไม่ยอมปล่อยวางคาว่าเสื่อมคําว่าจเจริญที่เลยเคยพัวพันกันมาสร้างของทุกขึ้นมาพร้อมในขณะเดียวกันบนหัวใจเหล่านี้มันไม่ไม่มีวันอ ลืมไม่เลยมันสังลึกมากความทุกข์แส้สาติที่จิตเสื่อมลงไปมีแต่อยากได้อยากเป็นขึ้นมามันก็ได้แต่ลุมแรงๆเพราะฐานที่จะให้เกิดความสุขความเย็นใจที่จะได้ความสงบนั้นกลับมาเราวางไม่ถูกเราบำเพ็ญไม่ถูกมีจต่ความหวังความอยากเฉยจึงต้องได้ตัดสิ่งว่านั้นออกเสื่อมก็ตามจเจริญก็ตาม <c oughs> มันจะไปไหนเราก็เคย คว้าน้ำเหลวกับมันมาพอแล้วคราวนี้จะไม่ควา้าเราจะคว้าแต่พุทโธโดยความลำพึงในใจว่าจิตใจของเรานี้อาจจะเถอไปเพราะว่ามีคำมือกรรมก็ได้เพราะแต่ก่อนเราไม่มีกรรมมีแต่สติตั้งรู้ว่ายิ่เฉยเฉยมันอาจชิดไปที่ไหนห้าโลกธาตุก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเสื่อมต่อหน้าต่อตาเราเราจึงคลิกเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาคราวนี้จะเอาพุทโธเป็นหลักตั้งเลย เอาเป็นก็ตามตายก็ตามจะอยู่กับพุโทโธเสื่อมก็ตามจเจริญก็ตามเราจะให้อยู่กับคําว่าพุโทโธนี่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เอาตั้งหน้าธรรมในงานปัจจุบันได้แก่พุโทโธพุธโทโธคือใจเรามันเป็นอ ย, อย่างนั้นจริงนะมันไม่เหล่อแหลกนะเ <c oughs> พอวัดตั้งหลักลงกับคําว่าพุโทโธปร่งใจกับคําว่าพุโทโธทีนี้พุโทโธตั้งแต่ขนาด น, นั้นไม่ให้เถอเลยนะ ไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวมาทั้งวันไม่อยอมให้เขยเลยในระยะที่ตั้งจิตขึ้นมาใหม่เนี่ยผมอยู่คนเดียวเช่ด้วยนะพ่อแม่หูจานไปเผาศกหลวงปู่เสา <c oughs> ผมอยู่คนเดียว <c oughs> บ้านนาชิหนวนวัดร้างเขา <c oughs> งานยิ่งสนุกทกําความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งพุทโธพุทโธตลอดจนกระทั่งได้รู้ชัดในคําบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เวลาจิตละเอียดเขาไปจริงแล้วคําบริกรรมหายหมดนะเนี่ย ก็ออกมาพูดได้ที่มันเป็นกระหัวใจเจ้าของเองบริกรรมพุทธโธพุทธโธนั่นแหละเวลาถึงขั้นละเอียดเต็มที่แล้วนึกทาบริกรรมไม่เหนเลย ไ, ไม่ออกเหลือแต่ความรู้ล้ลวนๆก็เกิดงงในตัวเองเนี่ทีนี้ทาําไงแต่ก่อนเราก็อาศัยคําบริกรรมยึดไว้กับสติอยู่ด้วยกันทีนี้คําบริกรรมนี้กําหนดอะไรก็ไม่ปรากฏกําหนดพุทธโธเราก็ไม่ปรากฏแล้วจะทาําไงเอาไม่ปรากฏก็ให้อยู่กับความรู้นี้นั่น ตั้งสติไว้กับความรู้นี้นั่นเอาอยู่นั่นนะอะไม่ปล่อยตรงนี้เอาเวลาขาดม่ตรงนั้นไม่มีพุทโธให้อยู่กับความรู้นี้ชื่อว่ามันกลมกลืนเป็นเดียวก่อนแล้วบริกรรมไม่ออกไม่มีให้อยู่กับนี้คอยสังเกตด้วยสติไม่ให้เถื่อนนี้พอถึงกาลเวลาแล้วมันก็ขี่คลายออกมาพอลี่คลายออกม า, าออกมา็าบริกรรมได้บริกรรมติดเข้าไปอีกเลย ถึงต่อมามันก็รู้วิธีการอ๋อเวลามันจิดนี่ละเอียดจริงๆแล้วคําว่าบริกรรมมีหายหมดนานรู้ชัดนะแล้วก็ทราบรู้วิธีปฏิบัติเอ้ามันหายก็อยู่กับความรู้เสียแน่เมื่อรู้แล้วให้อยู่กันเพราะมันคลี่คลายมากก็คําบริกรรมก็ติดเข้าไปสันทีสติติดแนบตลอดเวลาทั้งที่บริกรรมได้และไม่ได้ ส, ต, ต, ส ต, ติขาดไม่ได้งานหลักที่นี่มันก็ตั้งหลักได้ แล้วเหยียดเข้าไปแล้วเหยียดเข้าไปความวุ่นวายเหล่านั้นมันไม่ยุ่งแล้วแหละเพราะอำนาจแห่ความบีบบังคับทีบ่ไม่ให้ชิดกับสิ่งใดนอกจากคํำพูดคำอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันบีบบังคับขีดเส้นตายให้กันเลยนะนี่ใส่เรามันจริงจังมากเราพูดจริงๆรนะเราไม่หลอดเลยนะทําอะไรจริงจังทุกอย่างว่าอะไรเป็นอันนั้นเลยขาดสะบั้นไปเลยนะนี่ก็ตั้งนะมันต่อมามันก็แน่นหนามันคมขึ้นเลยเลย พอถึงขั้นมันควรจะเสือ่องมันจเจริญเข้าไปถึงขั้นนี้แล้วสองสามวันมันเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปน่ะไม่เป็นกังวลกับมันเพราะเคยหวังแล้วมันไม่ไม่มีประโยชน์เอาจ ะ, จะเจริญก็จเจริญไปแต่คําว่าพุโทโธจะไม่ต่อยอันนี้จับติดเลยเจ้าความเสื่อมความเจริญไม่มาถือเป็นอารมณ์เพราะเคยถือพอแล้วสร้างความสุขให้เรามากมาพอแล้วเราจะเอากับพุโทโธ มันแน่นหนามันคงเข้าไปเรื่อยๆเรื่ น, นันพอถึงขั้นจเจริญซึ่งควรจะเสื่อมตามธรรมดาอยู่ได้สองสามวันแล้วมันก็เสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเราไม่มีอะไรเหลือเลยนะเหลือแต่ตัวหมดคุณค่าหมดราคาหมดหวังสร้างความทุกข์ขึ้นตัวเองขึ้นที่นั่นใ น, นที่นี้พอมันถึงขั้นที่มันจเจริญแล้วมันจะเสื่อมอปล่อย แต่คำบุญกรรมไม่ยอมปล่อยสุดท้ายมันก็ไม่เสือ่อมนั่นแน่วแน่เข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรืเ่อยเรื่อยค่อยจับจับจุดได้อ๋ออยู่มันเสื่อมเพราะขาดคำบุญกรรมน่นเสื่อมเพราะเห็นนี้เองเนี่ยที่มันไม่เสื่อมจากนั่งกันหนาแน่อนขึ้นโดยลำดับ ๆ, ๆ, ๆจงกระทั่งฟาดเต็มเต็มเหนี่ยวได้กำลังเป็นสมาธิขึ้นมาพนองใจอย่างเด่น อยู่ที่ไหนก็เด่ดเนด้วยความรู้สติติดอยู่กับความรู้ถึงไม่บริกรรมก็ให้ติดอยู่นั่นที่นี่เอาเอาความรู้เป็นจุดแห่งการความบริกรรมแต่ไม่บริกรรมนะเป็นไอจุดแห่งสติคือจับไว้จุดนั้นจุดนั้นก็เจริญเรื่อยเรื่ไปนี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกเบื้องต้น <c oughs> มันหนักจริงๆนะจิตใจเรานี่เป็นไฟทั้งกองนะเวลานี้ถ้าไม่มีสมถะธรรมคือความสงบ เย็งใจเข้าไปแซรกบางแล้วหาที่โปร่งที่วางมาได้นะพระเรานะเอใครจะชื่อว่าพระนี่เลยเทวดาปรวดาไปได้แต่นรกเวจีมันก็เผาพระอยู่ทั้งท่างที่ว่าเป็นเทธธวดาประดับแล้แหละพราะกิเลสไมไ่กลัวอะไรกลัวแต่ธรรมเท่านั้นถ้าสติทำจับบังคับเข้าไปแล้วมันจะยอมใหพากันตั้งใจจุดนี้ไป็นจุดสำคัญให้ตั้งหลกักหลักฐานไว้การพูดเหล่านี้ผมไม่สงสัยในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนะ ได้ทำมาแล้วเห็นผลประจักษ์มาเดินะ่ะโจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขึ้นมาจากกอไก่กอกาที่ว่าพุโทพโธกุโสรนั่นแหละ <c oughs> ไม่ต่อยพอจิตมีความสงบแล้วที่นี่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งเคยก่อขวนและฉุดลากเราออกไปออกไ ป, ออกไปมันก็เบาไปเบาไปดื่มสมถะทำเป็นโอชารดของใจว่าสบายสบายสมายนี่มีทางเดินแล้วทีนี เรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันเคยถักดันออกไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสที่ไม่กี่ป ร, ประเภณเผาหัวใจนั้นมันก็จางไปอย่างไรสุดท้ายมันไม่สนใจอ่าความสงบนี่มีกําลังมากขึ้นอยู่กับความสงบมีความสบายไม่มีไว้กวนใจความคิดปุ้งแย้หนึ่งขึ้นมานี้เป็นการกวนใจแล้วนั่นพอถึงขั้นสงบเต็มภูมิของตัวเองแล้วความคิดปุ้งนี้ เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นไม่อยากคิดนี่แหละที่ว่าติดสมาธินะ่ะคือคิดแป๊บออกมานี่มันกวนใจแล้วกวนใจแล้วจิตอยู่ในความรู้ดิ่งแน่วตลอดกลางวันกลางคืนเวลาไหนก็ตามมันไม่ได้สนใจกับเมือ่อกับแค่งอะไรนะมีจะอยู่เพลินอยู่ในในความรู้ที่สงบตัวแน่วตลอดเวลาไม่มีอะไรเข้ามากวนนี่เรียกว่าอาหารของใจ เมื่อใจมีอาหารเพียงขนาดนี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นทุ่มเพื่อสมาธิจึงเพลในความเพียรทางด้านสมาธิไม่จะออกคิดคิดค้นโดยปัญญาก็นอนจมอย่นั้นได้อย่างที่ผมเคยนอนจงมาตั้งห้าปีมีพ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกผมไม่ไลืมเลยนะฉันจึงได้ออกพอออกนี่คือก้าวถึงขั้นปัญญานี่ที่หมุนติว้วเพราะมันพร้อมแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาพร้อมแล้วแต่ไม่นํามาใช้เป็นปัญญามันก็่เป็น พอออกมาใช้เป็นปัญญาตามที่านฉุดลากออกไปแล้วนั่นก็ค่อยรู้เหตุรู้ผลเข้าไปอ๋ออ๋อไปเรืนะ่อยอะเพราะอ๋อนี้ก็ค่อยเริ่มแล้วนะพอเห็นผลแล้วเรื่องความภาคเพียรความสนใจต่อความเพียรทางด้านปาัญญานี้มันจะหมุนตัวเข้ามาเองมาเองจากนั้นก็เพลินทางด้านปาัญญาเลยลืมพักสมาธิไปมีไม่มีมันก็หาว่าสมาธินอนตายืนเฉยแม่เหเกิดประโยชน์อะไรปัญญาต่างหาค่าเหลย สมาธิไม่ได้ฆ่ากิเลสเพียงตีเจตตะร่เข้ามาเพื่อความสงบไม่ขวนใจเพียงเท่านั้นนะแต่การฆ่ากิเลสนี่ฆ่าด้วยปัญญามันจะเห็นผลของการฆ่ากิเลสด้วยปัญญาแล้วเพลินกับการฆ่ากิเลืมพักสมาธิไปเสียนี่มันไม่พอดีนะสําหรับนิสัยผมมันผ่าผลจริงจริง <c oughs> นี่กถ็ถูกท่านล้างเอาไว้อีกเดี่ยวก็เรื่องเดินปัญญาเกินเกินเหตุเกินผลท่านก็ล้างเอาไว้ไง ถ้ามันหลงสังขาร น, นั่นอ่ะสังขารที่ไม่รู้จักประมาณนั้นมันเป็นสมุทัยได้ก็หมายว่าอย่างนั้นนะสังขารเป็นปัญญาอนี่แหละแต่เมื่อใช้ไม่รู้จักประมาณสามุทัยมันแทรกเข้ามาในสังขาร น, นั้นกลายเป็นสังขารสมุทัยไม่รู้เนื้อเรื่อว่าไปเสียท่านจึงให้ล้างเอาไว้เข้าสู่สมาธิพอจิตสงบพอสมควรแล้วออกทางด้านปัญญาเอาหมุนเลย พอจิตเนื่ยเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่ามีกําลังมองชาอ่อนลงแล้วให้เข้าพักสมาธินั่นนี่เป็นความพอเหมาะพอดีกับผู้บําเพ็ญเหมาะสมมากทางประหยตยิท่านก็แสดงไว้แต่เราไม่ค่อย ไ, ไปสนใจอะไรกับประหยัดมันหมุนตัวของมันด้วยความดูดเดื่มนั่นแหละเวลามันจะตายจริงๆมันจะเข้าพักสมาธิเนี่ยการบําเพ็ญจิตใจเมืองต้นยากนะเอาให้จริงฮหจังญาตนะิเราแหละนะอย่าเห็นงานใ ด, ดเลิื่อนเลยงานโลก สงสารงานวัตวน ง, งานไฟเผาหัวใจจังหายาดียาดิ่งกับพวกอยู่กงจับให้มันเผาตลอดเวลาทั่วแดนโลกธาตุนี้่จะพวกอยู่ใต้กองจับหมุนตัวตลอดเวลาทำนี้เป็นนิวัตจักรให้อาศัยทำนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องยับยั้งตัวเองด้วยความภาคเพียงหนักเบาสู้ตลอดสู้เพื่อความสุขทุกข์ด้วยความเพียงนี่เป็นทุกข์เพื่อความสุขทุกข์ด้วยอำนาจกิเลทุกข์เพื่อมหันตาทุกข์ เอามาแยกมาแยกกันแล้วมันก็จะมีความเจริญอย่างพันธัจัลย์ <c oughs> จากนั้นพอปัญญาเก้าขุนแล้วที่นี่มันจะเบิกกว้างนะไม่ได้เหมือนสมาธินะสมาธินี้เหมือนน้ําเต็มแก้วเต็มภูมิแล้วก็เหมือนน้าเต็มแก้วจะให้ทํายิ่งกว่านั้นไปอีกไม่มีชุดฉีดอยู่ทาง้เราเป็นแล้วทํายังไงมัน ลงแน่วอยู่จุดเดียวจุดเดียวทุดท่านก็ว่าความรู้อันนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยเหมา น, นิพพานว่าเป็นความรู้โง่โงหมูความรู้หมูขุนเฉียงด้วยสมาธิวิเศษเนี่ยพอแม่คงจามาลา่ามันถึงออกทางด้านปัญญาพอทางด้านปัญญามันขี่กายเห็นชัดเจนตรงไหนมันปล่อยมันปล่อยของมันอ๋อข้าที่ข้าอย่างนี้คแล้วก็เพลินเรื่อยเรื่อย เพินทางด้านปัญญาเพิ่นพราความพ้นผู้เพินเพพเพ่นด้วยความเห็นภัยจริงๆเพิ่นอย่างนี้นั่นรวยแล้วนะหมุนติ้วติ้วความเพียรจึงไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีเอียบุตนอนอยู่มันก็ไม่หลับมันทํางานของมันด้วยสติปัญญาจึงมาจึงต้องบังคับเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพื่อสมาธิได้พักตัว พอสมควรแล้วถอยออกมาแล้วก้าวเดินด้วยปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเวลาก้าวปัญญาไม่จ้องไปห่วงสมาธิเอาเต็มเหนี่ยวเพราะปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรแล้วเข้าพักสมาธิไม่ต้องห่วงปัญญาให้สามต่างทำงานมาต่างวาระกันเวลาเข้าสมาธิอย่าไปยุ่งกับเรื่องกานคิดอัานใจตรองทางด้านปัญญาปล่อยให้หมดจิตจะสงบได้มากน้อยเพียงไรเอาให้สงบ น, นั่น ทำงานต่างวาระกันทีนี้พอสงบมากเข้ามากเขา้าจิตจะมีกำลังวังชาเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเบาสบายมดเลยเนี่ยอำนาจของการพักในสมาธิควรแจกตานแจก ง, งานทั้งหลายทางด้านปัญญา <c oughs> จากนั้นก็ก้าวสนักปัญญาไม่จาห่วงสมาธิเหมือนกันให้ดาเนิอนอย่างนี้เป็นอันถูกต้องไม่สงสัยปัญญาจะออก ออกเรื่อยกว้างขวางออกเรื่อยละเอียดล้ออเข้าไปเรื่อยเพราะกิเลสก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยถ้าผ่าดผ้น โ, โจนปัญญานี้ผ่าดผ้นมากนะเรื่องกิเรสกรมกิเลสกรมกรมตัณหาีอันนี้ผ่าดผ้นมากทีเดียวใช้ความพพิจารณาร่างกายออกทางด้านปัญญาให้พิจารณาร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วแต่ความถนัดดูดดื่มใน เอ า, อาการใดของร่างกายนี้เส่นผมขนแล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงภายในนี้เป็นอริยสัต์ตัวที่เราชมุษย์ไทยมันมัดมันฝังไว้ทั้งนั้นแล้วขี้หณาขี่คลายนี้ออกไปด้วยมรรคสัตย์คือปัญญานั่นเมื่อคลี่คลายไปแล้วมันเห็นแล้วมันกนจะถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาอุปทานมามาถอยเข้ามา นี่เรียกว่าปัญญาข้าที่เหประจับกับใจจากนั้นก็ก้าออกละเอียดแล้วเชื่ชาติเห็ขั้นสติปัญญาถึงมันแล้วยังไงความพ้นทุกข์เนี่มันแน่วแน่แน่แน่ประหนึ่งว่านี่พานนี่เอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละความเพียรมันถึงขั้นเลยถุดได้เล่นเรื่อยถึงข่าวพักสมาธิสมาธิเป็นของสําคัญมากนะอื ถึงเวลาพักคือการทํางานกับการพักผ่อนนี้ต้องเป็นคู่เสียงกันมีความจําเป็นเท่ากันเราจะเห็นว่าการทํางานได้ผลการพักผ่อนไม่ได้ผลการพักผ่อนมันก็สั่งสมกําลังของมาของมันขึ้นมาเพื่อเป็นคู่ควรกับงานทั้งหลายทําไมจะไม่ได้ผลนั่นพราะผลของการพักผ่อนก็เป็นอย่างนีน้ผลของงานก็เป็นอย่างนั้นมันก็รู้กันอยู่ทีนี้ถึงเวลาที่ชวนจะทําก็ให้ทำอย่างนั้น แล้วค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเห็นไม่ต้องไปหาดูจะตัดตำราพูดแล้วสาธุนะเราก็เรียนมาแล้วตำราแต่เวลาตำราความจำกับตาความจรงิงมันฟัดเหวี่ยงกันนี้โอยความปัญญาความจำผิวเผินว่างั้นเลยนะปัญญาความจริงนี้เอาตัวจรงิงออกมาพี่ขายออกมาก็พิจารณาออกมาถอดมาถอนมาค่ามาฝันเห็นประจับกับใจแต่ อความจําที่เราเรียนนั้นมันไม่จะจําไม่เฉยมันไม่ถอดถอนยิ่เลยนนะเรียนจบพระไกายิเดกมันก็ไม่ถอดถอนยิ่เลยถ้าไม่นําการศึกษาเราเรียนออกมาเป็นภาคปฏิบัติเพื่อถอนยิ่งเลยแล้วอย่างไงก็ไม่สอนเนี่ยมันก็เห็นชัดๆอยู่ในหัวใจของเราเ น, นี่เรื่องปริยัตเลยผิวเผินไปหมดนะอ๋ออยู่ผิ ว, ผวเผยเผยเผ น, นอกนอกนู่นและเป็นเอกเทศเอกเทศไม่ได้กว้างกว้างอะไรนะเออปริยัตเนี่ยฉันมา พ, กก ร, พระไก่พี่ยุ๊กเขาเลยท่านเอาแต่ส่วนสําคัญมาเท่าไม่ได้กว้างขวางนะเออแล้วว่า พ, กก ร, พระไก่พี่ยุ๊เบอร์หนึว่าครอบโลกธาตุไม่ได้ครอบถ้าเป็นภาคปฏิบัติจับเข้าไปแล้วกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่ากั น, กนจนคาดไม่ถึงเลยนะ่ะเนี่ยออกจากภาคปฏิบัติเราเรียนมาแล้วเป็นอย่างนั้นเราปฏิบัติมารู้ความจริงอย่างนี้นั่นเพราะฉะนั้นความจํากับความจริงจึงต่างกันมากนะภาคความจําเรียนไปทั้งหลาก็มีแต่จาความสงสัยคืบคลานไปตาม ไม่มีรถลาตัวเองปเป็นจิเลตประจำกันหมดจนกระทั่งถึงไม่ผ่านมันก็สงสัยไม่ผ่านนะัะนมีหละเรื่องของความจําไม่ได้ถอดถอนจิเลตตัวใดเลยนะพอความจริงเจอเขาประทับใจมันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบอ๋อสงบเป็นอย่างนี้นัานมันเห็นอย่างนั้นนะความสงบเป็นขั้นขั้ น, นค่ยอยละเอียดเข้าไปออกไปมันก็เห็นชัดประจับกับตัวด้วยความจริงความจริงหายสงสัยเป็นอนันดับ ตรงก็ะช่างถึงสมาธิเต็มผูมมันก็รู้อยู่ว่าเต็มผูมแต่มันไม่รู้ว่าควรเ ก, การยวกบบำเพ็ญอย่างไรต่อไปอีกมันก็ติดสมาธิได้ผู้ชิดลุ่นเหนือเราไปแล้วท่านลากออกอย่างพ่อแม่ของจันม่มมานเรากออกนั่นท่านเหนือเราแล้วก็ก้าวตามท่านมันก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้พอออกด้านปรราัญญารูโ้โสษรู้คุณด้วยปรรยัญญาแล้วที่นี่ก้าวเลยลเรียกว่าภาวนามยปรรยัญญาแต่ก่อนเรียนในปริญัต ท่านบอกว่าภาวนาไมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเราก็งงเราไม่รู้เรื่องรู้เหอืาทั้งๆ ท, ที่เราภาวนาอยู่แต่ปัญญาประเภทนี้มันก็ไม่เคยเกิดเวลาเรียนหนังสืออยู่เราปธิบัติตลอดนะผมไม่เคยรูุ้ล้างอาการต่อนาแต่มันไม่เคยเกิดปัญญาประเภทนี้ขึ้นมานั่งก็คล่องงงพอถึงขั้นปัญญาประเภทนี้เกิดขึ้นมาอ๋อนั่นถห็นไหมล่ะ ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆไม่ต้องอาศัยอะไรสิ่งมาสัมผัสสัมพันธ์เชียรูปเสียงเดินรูปเครื่องสัมผัสมาสัมผัสสัมพันธ์แล้วจึงจะกระตุ้นจิตใจให้เกิดสติปัญญาที่อ่านใจฟองดังนั้นก็ตามมีมากระทบกระเทือนก็ตามมันจะเป็นสติปัญญาของมันเป็นเรื่อยๆๆนั่นเรียกว่าภาวนามายปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วน จะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็าตามไม่สัมผัสสําพันธ์าตามสติปัญญาจะสร้างตัวเองต่อสู้กโอเคเป็นลําดับธรบรมดาภายในตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปหาอาศัยว่าต้องดูสิ่งนั้นก่อนแล้วมาพิจารณาได้ฟังสิ่งนี้ก่อนแล้วพิจารณาไม่จําเป็นนะมันละพอตัวของมันเองพอสิ่งอะไรมาสัมผัสมันก็ออกมาเทียบทันทันทีไม่สัมผัสมันก็คิดค้นหาเรื่องราวเพราะกิเลสอยู่ภายในใจ เมื่อเกลี่ยนรวมตัวเข้ามาแล้วมันก็รู้เห็นเป็นลําดับลำดานี่เรียกภาวนาเมตตาปัญญามันชัดขนาดนั้นนะฉันกล้าพูดได้เลยเรียนจดจำมามากน้อยมันไม่ได้กล้าพูดนะมันงงงูปลาปลาแบบนั้นพราะมันรู้ขึ้นมาภายในใจมันหายสงสัยหายสงสัยกล้าหานฉันใส่มันชงประสามไข่สามไข่ประจับประจักปรจับนั่นเรียกว่าความจริงยิ่งก้าวขึ้นมหาวิถีมหาปัญญามันเชื่อมโยงกันนะ ภาวนามยปัญญากับมหาสีมหาปัญญานี้พอภาวนามัญปัญญาคล้องตัวเข้าไปมันก็เชื่อมโยงกับมหาสีมหาปัญญาตอนนั้นเป็นขั้นสืมทราบแล้วมหาสีมหาปัญญานี้เป็นขั้นสืมทราบของสติปัญญาซึมทราบเรื่อยๆไละเอียดไปเลยกิเลสก็ละเอียียบมหาสีมหาปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟเผากิเลสมันก็เผามันไปเรื่อยๆนั่น อาจนกระทั่งไม่มีทางไปไล่ทำเ ข, าไไขา้าไปไล่เข้าไปกิจการสาขาดอกใบทางเดินของกิเลสนับแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเพื่อรูปเสียงดินรถเครื่องสัมบัติมันก็ตามต้อนขามาตามต้อนขามาเริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณาอาสุภะอาสุผังอุทุขังนิจังอนัตตาในรูปเขารูปรารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์บูนคนด้วยการพิจารณาเป็นอสุภะอาสุผังเป็นนิจังทุกขัตา ตีต้อนเข้ามาเมื่อมันรู้สิ่งอันนั้นแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเพราะตาหูจมูกลี้ยงกายเป็นทางเดินหากินของกิเลสอวิชชานี้พอสติปัญญาตีต้อนเข้ามารู้เท่าทันเบื้องแบบแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาไปถือเข้าอะไรว่าถือว่าเป็นสัตว์บุคคลมันสัตว์ที่ตรงไหนพิจารณาดูมีสาร่างกระดูกนั่นมันเป็นสัตว์บุคคลที่ไหนมันส ว, วยงามที่ไหนมีแต่มูดจะคู่เต็มเนื้อเต็มตัวมันสวยงามที่ไหนเนี่ย สติปัญญาแก้กันไปในอย่างนี้จากนั้นมันก็พอขั้นการมาที่เหลนนี้ผ่านไปได้ด้วยการสลัดตัดขาดกันลงไปแล้วมันก็เหลือแต่นามธรรมาานี้จะก้าวเดินทางอ น, นิจจังทุกขงาาังนาตาถนัดขึ้นไปเลยนะเบื้องต้นจะขึ้นสุภาสุพังก่อนอ น, นิจจังมนุษย์ทุกขังนาตาแทบเพียงเล็ก น, น้อยแต่ที่หนักแน่นที่สุดได้แต่สุภาสุพังแก้ความเป็นสุภะสุภัง มันจนขาดกระจายลงไปแล้วจากนั้นก็เป็นนามธรรมานั้นก็มีแต่เรื่องอนิจจงทุกข์ของอาจาคําว่าสุภาษณ์เสียวเรื่องร่างกายร่างกายหมดความหมายไปแล้วพิจารณาสุภาหาอะไร น, นัมันอิม่มมันก็รู้นี่นะมันต่อยมันไม่เอามันเหนลือแต่รามมธรรมเวทนสญญาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาจากไหนนั่นแหละไล่เข้าไปเวทนาออกมาจากไหนคนตายมีเวทนาไหมเวทนามันอยู่กับคนเป็นคนเป็นมันก็จากกิตและที่นะี่ ไล่เข้าไปก็ไปอยู่ต้นต่อนั้นเสียเวชนาสัญญาสังขารมิญาตออกจากนั้นออกจากนั้นมันไล่ต้อนกันอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายมันขยับเข้าไปเราถึงต้นตอ น, นั่นคืออวิชชาเป็นสถานที่เกิดสถานที่หลงของจรงิงเหล่านี้จริงวันนี้เป็นเพียงเครื่องมือนะพวกรูปเวชนาสัญญาสังขารมีญาตเป็นทางก้าวเดินของอวิชชาเป็นเครื่องมือหาจริงของอวิชชาเมื่อเวลาพิจารณาแยกแยกให้เห็นตามเป็นจรงิงแล้วมันจะต้อนกันเข้าไปถึงตัวอวิชชา สิ่ง่านี้ก็เป็นตัวแทนเครื่องมือเป็นทางเดินไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อวิชชาตัววิชาจริงไม่ใช่สิ่งเ่านี้นั่นมันก็ชัดหรอกมาตั้งเข้าถึงนั้นแล้ว <c oughs> พังลงแตกกระจายลงไปความมืดมัวหรือความสว่างการแจ้งที่มีอยในจิตขนาดไหนขนาดไหนเมื่อกิเลสยังคองอยู่แล้วยังหาความสว่างเต็มตัวไม่ได้นะ มันจะต้องมีมือมีมีมัวมีหมองอยู่ประจำนั่นแหละความมัวหมองคือที่ไหกมันปุกปิดบังหุ้มห่อจิตดวงที่รู้จริงๆนั้นไว้ไม่ให้รู้เต็มจัดเต็มส่วนนี้พอเสนียวนี่ถูกพิจารณาเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งถึงตัววิชาที่มันหุ้มห่ออย่างละเอียดสุขุมพังกระจายไปแล้วจิดมันจ้าขึ้นมานั่นแหละพะเหน่ง่าฟ้าดินถล่มนี่เอาวิชาพลาดจากใจ แต่นี่ความรู้นี้ออกเต็มเหนียวเลยเพราะว่ามีอะไร ป, ปิดบังนี้ลับคำมามัวมัวเมียเมียไม่มีคำมัวมัวเมียมีจะเรื่องของเดสเท่า น, นั้นพอกิเลสเปิดตัวไปหมดแล้วไม่มีอะไรมาปิดบังมันก็หาความมึนมัวมาจากไหนนี่แหละอาโลโกเดปาดีสว่างจ้าขึ้นมาไม่ต้องไปถามใครแม้ที่ถูกสาทุวางอันเลยนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าเขไม่ชูนถามเป็นธรรมาเดียวกันสารทีทิโกประกาศกล้องโทษ โลกธาตุอยู่แล้วให้รู้เอง่เองท่านสอนเพื่อให้รู้เองแล้วรู้เองเราจะไกลับมาถามท่านหาอะไรถ้ า, างั้นสันติโกก็ไม่มีความหมายอะไรสิพอไปถึงแล้วอ๋อนั่นอ๋นอสันตินี่แหละพอมันถึงขั้นนี้แล้วเข้าถึงธรรมธาตุธรรมธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมธาตุทั้งหมดว่างความขนาดไหนน้ำมหาสมุทรเรือหลวงที่ เป็นที่รับของแม่น้ำแสงจางที่ไหลรวมลงไปกลายเป็นมหาสมุทรขึร้นมากว้างกวางขนาดไหนชั้นใดจิตใจของท่านผู้ก้าเข้าสู่ความบริสุทธิ์จากสายทางแห่งการบำเพ็ญของตนของตนมาถึงความบริรสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นธรรมธาตุขึ้นมาเป็นอันเดียวกันแล้วนะ่นพระพุทธเจ้ามีมากน้อยอะไรถามหาอะไรอดีตไม่มีอนาคตไม่มีพระพุทธเจ้านี้พานไปกี่ปีเดือนไม่นี่ไม่แต่ธรรมธาตุเหมือนกับน้ำมหาสมุทรเต็มท้องอ่า แผ่นดินนี่เนะี่ยเห็นไหมล่ะมหาสมุทรใครก็รู้นี่ยว่าเป็นยังไงนี่ธรรมธาตุก็อย่างเดียวกันรวมยุ่งผู้บริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ธรรมธาตุแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องฝูนถามพระุทธเจ้าแล้วยิ่งชัดเจน ว, ว่าพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไหนออดีตอนาษษคตที่วันนี้พานมากี่ครั้งกี่ครัไม่มีความหมายมารวมอยู่ในธรรมธาตุนี้หมดเลยพระอรหันตุทุกทุกอ ง, องพระเจ้าพระพุทุกองค์ พระพุทธเจ้าที่อยู่อยู่เป็นธรรมชาติเดยวกันหมดท่านมัน่งรู้ชัดอย่างไรตัวนี้แห ล, ละคาว่าปฏิบัติท่านเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้ซึ่องมาจิตใจสว่างกระจางแจ้งภายในตัวเองไม่มีอะไรมาปิดบงังลี้ลับที่จะสร้างอุปสรรคให้ใจใจไม่มีเมื่อกิเลสตัวสร้างอุปสรรคหมดสิ่งไปแล้วไม่มีอะไรมาสร้างอุปสรรคโล่งตลอเวลาดัางที่ท่านแสดงไว้ในเกิดพมุ ข, ขละนะ่สุดท้โตโลกังเวกขะสมุ ข, ขละชัดสดาสโต อตาทิ่งอุหจักรวังมัดอิตโลชิยาเรวังโลกังอเวขันตังมัดอยู่ราชนปัสสติดูกรโมคราชต응เธอจึงเป็น ผ, ผู้มีสติทุกเมือ่อฟังที่สติทุกเมือ่อนั่นนะเห็นไหมชดา ส, สโตอ응ืมีสติทุกเมือ่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าอ้응อนอัตาโนติกที่ เป็นความสําคัญว่าตนม่าตัวว่าเราว่าเขาเสียได้นั่นอัตตาที่อุหะจานั่นแล้วข้ามพ้นพญามาจุราชไปเสียพญามาจุราชมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นั่นมาจุราชานปัสสตรนี่แหละแปลเต็มศักด์หาที่ค้านมาเลยเลยนั่นแหละมันว่างไปหมดเราจะทำอะไร อะไรจะมาข้องมาติดตัวเองเมื่อตัวเองไม่ติดไม่คาตัวเองแล้วจะไปคากับอะไรตัวเองก็คือกิเลสมันมาเป็นตัวเองขาดสะบั้นลงไปหมดกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วอะไรจะมาเป็นตนเป็นตัวอย่างนั้นพอให้ติดให้ขวาให้คามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะติดอะไรในสามเดนโลกาฐานนี้แล้วติดอะไรเช่นอย่างเขาที่เคยเห็นสิ่งนั้นนี้เราไม่เคยเห็นเราก็ยอมรับ เ, เ, it, เราไม่ผืนแต่เราไม่ได้ติดเราเราก็ไม่ติดจริงนะนั้นเห็นไม่เห็นเราก็ไม่ติดเนี่ย เนี่ยเรียกว่าไม่ติดตัวเองสังอย่างเดียวไม่ติดอะไรทั้งสามเดนสมมุตินี่ว่าโยทธทานนั่นแหะจิดเมื่อเราได้ก้าวไปเต็มเหนี่ยวแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติล้วนๆเลย <c oughs> ธรรมชาติเนี่ยที่เป็นธรรมที่สุดวิสัยที่สุดนะผู้ที่เจ้าส่างท่อพระไถยคือธรรมชาตินี้เมื่อมาดูของสัตว์โลกวัตจักรนี่มันก็เป็นถังขยะไปหมด เต็มไปด้วยมูดด้วยผูดด้วยฟืนด้วยไฟเผาไม้สัดโลกตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้เลยก็คือไฟเผาโลกได้ แ, แก่กิเลสเผาสัตว์นั่นเองเต็มอยู่ภายใ น, ในใ จ, จิตใจนี่เอะอต้องกรดูไม่ได้มองดูสัตว์ตัวใดตัวใดในสามเดนโลกธารมมิจฉาสัตว์ที่กลิ้งเป็นบ้าโดยกับกิเลสมันปูพรมให้นะเนี่ยพรมของกิเลสคือความเพลิดเพลินสิ่งที่เพลิดเพลินเห็นอะไรดีหมดนั่นนะ่ะคือพรม อาณาณ์อันดีงามทมของเยศที่ปูวไว้แม้ที่จุดความไม่พอใจก็พอใจความโกรธความเฉียดแค้นมันก็พอใจโกรมันปูผมให้หมดนั้นนี่แเคลือบน้ําตาลเคลือบน้ําตาลไม่หมดอื่เวลาดูด้วยสายตาของธรรมแล้วไม่มีอะไรสกกระโปรสมมุมเกินจิเลว่า ง, งั้นเลยแต่จิเลศมันบอกว่าสะอาดสอ้นสุดยอดของมันในสายตาของของธรรมแล้วสกรปรงสุดยอดไม่มีอะไรเกินจิเลศนั่นเหนือกันขนาดไหนฟังที่ไหน นี่แหละครูเจ้าสงท่อพระไถ่โรกมันเส ก, กสรรปัญงยอะอะไรมันปูมันปูผมรมาบเรียบไปหมดเลยนะให้สัตว์ทั้งหลายเพลินเพลินอยู่เ พ, นเพินกินเพลินหลักเพลินลนเพลินนอนเพลินในลูกในเสียงในกลิ่นในรสดีชั่วอะไรเพลินทั้งนั้นนะ่ะที่สัตว์โรคไม่พอใจไม่มีติดทั้งนั้นติดทั้นนั้นนี่คือผมของกิเลสมันเครือบน้ําตาลไม่เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วสัตว์โรคจึงหาทางฟื้นตัวไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ทำเข้ามา พื้นตัวจึงต้องอาศัยเนี่ยเบื้องต้นตั้งแต่ภาวนาเนี่ยเอาเปิดเข้าไปแล้วจะเห็นหมดสิ่งที่เก่าวนี้ไม่ต้องมาทูลถามมูทธเจ้าที่ว่าวิริยมันปูพรมยังไงไว้มันจะประจักในสายตาของธรรมที่อยู่ในหัวใจเราเองประจักษ์ตรงนี้แล้วถามใครมันนิวอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่แหละความประจักษ์ภา ย, นายในจิตใจนี่แหละที่ว่าทำที่ว่าเลิ่อเลอือเลอืเลอ่อมันเลื่ชทุกอย่างนะเพราะว่าเลิ่อเลอื่อย่างหยาบอยู่นะเลิ่ใช้ทุกอย่างว่างอันเลย เกินกว่าที่จะมาเทียบกับโลกมูดโลกพูดโลกส่วมโลกฐานนั่นเองซึ่งเป็นโลกปูพรมของยิ่งสหญ่ลอกลวงสายโลกให้ตายจมกองกันอยู่นี้ไม่มีวันเฉลี่ยลาบอิ่มพอคือพรมของมันนี่แหละสายตาของทำมันดูไม่ได้อยู่วะไอ้พวกพุทธเจ้าไม่ชอบปาใสังไงใครที่มายินดีในพรมเหล่านี้พร ม, มองอญใหญ่แล้วมันไปยินดีนทำที่ไหนวะมันยินดีในพรมคีอส้วมคือฐานของยิเลใที่มันหลอกเอาไว้นี่ทั้งนั้นโลก ทำเรื่องของธรรมันไม่ให้สนใจยิงตง้องในบุกเบิกตรงนี้เอาให้หนักนี่แหละบุกเบิกทำออกมาเป็นคู่แข่งกับกิเลสมันปูพรมเอาไว้นะแล้วมันเห็นชัดเจนชัดเจนเห็นไประเด็นดูไปท่ไหนโอ้มีแต่ความสกรปรกโสม ง, ง, งสกรปรกโสม ง, ง, งของกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นรวมแล้วไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องความสกปรกนะแต่กิเลสมันก็เอาอยัางเยี่ยมของมันเหมือนกันว่า ถือว่าเป็นของสะอาดที่สุดแล้วในสายตาของคนตาบอดอย่างพวกเราเนีหลงกันหมดสายตาต้องทำจ้าทีเดียวนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะพากันตั้งใจนะผมมิตรวิาการณ์เหมู่กขบเพื่อนและใครที่จะมะัตเธอยังจริงอย่างจังไม่สงสัยอย่างนี้แล้วอยากจะพูดเนี้ยแล้วไม่ใช่ อ, อวดตัวนะพูดให้เป็นที่มั่นใจของหมู่เพื่อน ว่าที่เทสศหมูงพวกนี้ไม่มีผิดแน่นอนเพราะผ่านมาแล้วทางนั้นไม่ว่าสัญญอยาส่วนกลางสว่วเบีดของกิเลสและของธรรมเราผ่านมาหมดเต็มหัวใจของเราแล้วแล้วทีนี้เรามาเปิดให้พี่น้องให้พวกบรรดาลูกปิดลูกหาพลาดอะไรทั้งหลายได้ยินได้ฟ่งให้ตั้งแต่ปฏิบัตินะ อ, อโลกอันนี้มันโลกสกปุกสโสมมที่สุดแล้วอ๋อมันนักทุเลสจริงๆนะแล้วไม่มี ไม่มีหลักมีเกณฑ์นะรายไหนก็ถามผู้ชนะโลกเกลื่อนอยู่ในวัตถุทุกวัตถจักอันะี้หมุนอย่อยู่ด้วยกองทุกเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้ใจดวงใดนะพอที่จะมีฝั่งมีฝามีเกาะมีดอนเป็นที่ที่ถึงตัวเองเป็นที่มั่นใจมีใหม่มันไม่ได้มีนะมันลีดมันลีนเหมือนกับคนตกน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละว่ายลอยผมแปมบ้อมแปมเนี่ย ฟังไม่อยู่ที่ไหนไม่รู้หากไหวหารอยอยู่น้่ะไม่ไม่ไหวไม่ลอยมันก็จะตายบวบรรเทาอะไรบ้างแต่ฝั่ง้าที่ก่อที่ยึดไม่มีนี่เราฉลาดโต้ที่จมอยู่ในมหาสมุทรมหานิยมก็เป็นแบบเดียวกันไม่ผิดกันแม้ระเบียดเดียวกันเลยนะไม่มีฝั่งมีฝาถ้าไม่มีทําเป็นที่ยึดที่เกาะที่อย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกับคนตกน้ำในมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละนี่เราจึงสร้างฝั่งฝาขงเราให้ดีด้วยสมาธิเชียนยา ให้มีเกตนาล่ายเข้ามาแฝงนะ่ะเอาให้รนะมัดวางให้ดีแป็นที่ภูมิใจในศีลตัวเองเมื่อไม่มีความกังวลเราแค่ระขายกับศีลแล้วการทำสมาธิมันก็ทําได้ได้เพราะไม่เป็นกังวลสมาธิก็บังคับอย่างที่ว่านี่นะเอาให้จริงจังแล้วจะเมื่อไม่ถอยอย่างที่เก่านี้จะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นช่องทางที่เราจะก้าวเดินได้เพื่อความเบิกกว้างแห่ง ความสงบลมเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาก้าวจากตรงนี้ก็ขึ้นปัญญาอย่างที่ว่าเนี่ยถึงมีมุดหลุดทนจ้าไปหมดเลยถามมาอะไรมีลาภขึ้นี่าเมื่อมันมันเลยชะทุกขิทุกอย่างแล้วกิริยาของธาตุของขันอย่างเราเป็นพาดอย่างนี้นะผมเอามาเทียบหมนะุนนะมีผมพูดในวงภายในคือสักจะว่าใช้แต่ตามกิริยาของสมุติท่านั้นจะว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็นอาบัติอาจีองมันเข้าไปถึงธรรมชาตินั้น เมื่อโลกอันนี้ธาตุขันนี้เป็นสมมุติก็ต้องปฏิบัติตามส ม, มุติพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ธรรมชได้ข้ามเกินหลักธรรมเหล่ินัยเพราะเป็นประเพณีของโลกที่อยู่ในสมมุิขั้นนี้เราก็เป็นสมมุิขั้นพระของเราเราต้องรักษาสิ่งเหล่า น, นี้เหมือนโลกเขารักษาเราเป็นพระสมบุรณ์แบบด้วยหลักธรรมนินัยเหล่านี้เราก็ต้องปฏิบัติที่นี้ให้สมบูรณ์แบบของเราตามขั้น ข, นของสมมุตินั่นที่ยอมรับปั่นยอมรับปัน่นส่วนธรรมาชาติของจิต ที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเสียธาตุขันไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ไม่มันมันอยู่ในสมมติก็ต้องปฏิบัติกันไปตามเรื่องราวของมันเท่านั้นเองที่จใจสทมานมาเลือดร้อนกับสิ่งที่ผิดที่ผาาละทั้งหมดผิดก็ไม่มีผาาก็ไม่มีถูกที่ไหนก็มีท่านเลยจะหมดแล้วอันนี้เป็นสมมตุติมีผิดมีถูกมีดีมีชั่วจิตอนั้นละผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไรอืมเรียกว่าวีมูท่านนั้นเป็นอีกอันหนึ่ง นี่เลเอามาพูดมาฟังนี่เป็นเรื่องลี้ลับอันหนึง่งที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งขันนั้นนี้สลายไปการรักษาทุกจริงทุกอย่างตามหลักของพระต้องสมบุรณแบบตามเดิมให้เหมาะกันกับสมมูิขั้นของธาตุของ ข, องขันความดีดความยดีนกิริยาท่าทางที่อยู่ในสมมูลก็ให้เหมาะสมกับหลักของพระที่อยู่ในสมมุนะตินั่นส่วนจิตนั้นเราไม่เอามาพูดแหละ คือเลยแล้วก็ยกให้เป็นเลยแล้วอยู่ในแดนส ม, มุนก็ต้องปฏิบัติตามสมุนนะ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนั้นน่ะนี่ศาสนาเวลานี้แหมติดกันอันตู้ของหมาเข้ามา <c oughs> ดูไปไหนเวลานี้จะไม่เห็นนี่เดียวของศาสนาติดพระติดเนนติดคารวะญาติยาโยมติดชาวพูดเถานะ่ะมันมีตะกิเลทั้งนั้นหุ่มห่อเตม็มเนื้อเต็มตัวทั้งประชาชนญาติโยม ทั้งพระทั้งเนรทั้งเขาทั้งเรามันไม่ได้มองเห็นอวี่แววของธรรมพระมัดระวังการปฏิบัติตัวเพื่ออัเพฤษังติดตัวอยู่บ้างเลยนะเวลามันมีแตกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาตลอเวลาแล้วกระจมไปนี่จมไปอย่างนี้แต่สาวุญเจ้ามันจึงค่อยถูกปิดถูกบังไป เ, เรื่อยด้วยอำนาจของกิลเลสเจศสันทั้งยอ่อตัวเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเป็นทอ ง, ง, ง, ง, งทั้งแท่งขึ้นมาเหยียบย่ํำทองทั้งแท่งคือธรรม ให้กลายเป็นขี้มูลาเป็นเศษเป็นเดไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลยสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาก็สิ่งที่กิเสเศษสันบัญญัติยอให้สัตว์ทั้งหลายติดพันมันชอบมันนั่นแหะจึงเอ า, าอกิเลสเหล่านี้มาใช้เป็นกิเลสขอกิเลทั้งหมดโลกเลยกลายเป็นโลกว่าสะอาดด้วยกิเลสซึ่งเป็นตัวชกโกบมากที่สุดนั่นเห็นไห ม, มละ่ะเพราะฉะนั้นทุกจึงไม่ห่างเหินจากสัตว์โลกที่หลงตามกิเลสซึ่งมันหลอกลวงตลอดมาทำท่านไม่หลอกลวง มีทำมากทำน้อยมีความสงบเรื่องเ ย, ย็นยิ่งทำเปิดจ้าพายในใจแล้วหาความทุกข์มาจากไหนว่างั้นเลยบรมมาสุอะไรจะเกินจิตที่บริสุทธิ์ว่านั่นเรื่องธาตุเรื่องขันก็รู้กันอยู่ว่าเจ็บทั่นปวด น, นี้มันก็อยู่ผิวผิวผลเผยก็รู้มันอยู่ฮะมันก็มีเท่านั้นศาสนา จ, จะจมหมดแล้วนะเวลานะจะไม่มีอะไรเหลือน่ะเพราะอํานาจของกิเลสมันตีตลาดนะ แม่ดูคิเลสตีตลาดนจนขยะขยงนะผมพูดจริงๆนะมันจนจะดูไม่ได้ดูพระดูเนนดูผู้เดียวกันมันก็จะมองกันไปทั่วหน้านะ่ะคือมันมันไม่เป็นที่ไว้ใจมันขวางหูขวางตาก็คือขวางศีลของรรมของผู้นั้นผู้นั้นนั่นแล้วมันก็ดูไม่ได้ผู้รักษารักษาอยู่นี่ไอ้พูดที่เลื่อนเล้อ ผู้ที่ทํำลายมันก็ทํำลายต่อหน้าต่อตาแบบหน้าด้านมันมีอย่างอายให้เห็นมีแล้วนะแล้วไปยังไงมันจะโปรงใจต่อกันได้ยังไงพวกเดียวกันก็ดีเช่นท่าเช่นเองอย่างเราท่านท่านมันก็ปรงใจกันไม่ได้เพราะผู้หนึ่งรักษาอยู่แต่ผู้หนึ่งมาทำลายให้เห็นต่อหน้าต่อตามันจะสิ่งนี้จะไอย่างไรคนเราเนี่ยที่ว่าแตกเป็นนิการนั้นนิการนี้เพราะว่าเมื่อมันผาดโพลิโอซยานมากเกินไปมันก็แตกกันได้แล้วตั้งมีการนั้นขึ้มานิการนี้ขึ้นมา แล้วก็แตกไปอีกไปอีกอยู่นั่นแนหะพราะนี่เลยมันไม่ถอยที่จะสมานไม่มีกีเ่เด็ดมิจะทำให้แตกเรื่อยๆไปถ้าเราไม่เอาทําเข้าแน่นหนามันโก่งแล้วสมานไม่ได้นะอืมมมันีแต่ความแตกเท่านั้นแหละวันนี้ก็พูดเพียงตัวนี้แหล ะ, อะพอเหนื่อยแล้วอ้าวพูดไปมันเหนื่อยนะในากาเท่าไหร่ดูที่ดูในการดูชิดเท่าไหร่ฮะถุนสามสิบห้า เท่นี้จะถึนชงเรามาเนาะเอาเท่เริ่มเท่ก็มงครับเนาะได้นนชั่วโมงัคงได้ชั่วโมงเท่นเท่มันมันก็เร็วอยู่นะเวลาเท่นมันก็ไปของมันเองนไปเล่ยเรื่อย่อ่าเหนื่อยหรอเดี่ยนี้เดี๋ยวนะี้นะาขันนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้เป็นเอาขันเป็นประมาณ น, นะไปเท่ทนะี่ไห น, มนผมไม่ได้เอาทำเป็นประมาณนะ เอาขันเปิดประมาณไปที่ไหนต้องขันเตือนแล้วต้องอย่าเบรคเนี่ยแต่ก่อนไม่เป็นนะมันไหลเลยอย่างนี้โอ้ยไม่ได้นยิ่งสงสารโลกกว่าสงสามโลกกว่ายิ่งนะ้ำวั น, น, น, นหนาแ น, น่นวันหนาแน่นเขาเฮ้ยเครียดจริงนะไม่ใช่ธรรมดาเพรานะามันโสกโปกขนา น, นั้นนะเนี่ยมันโสกโก ขนาดนั้นก็ดูไม่ได้เลยที่เด่นมันก็พอใจใหงมันองั้นก็เหมือนอันนอนมันอยู่ในช่วงในสานนั่นแหละดูเอาเราไปดูได้ไหมดูสวนหมอนอนมันอยู่ในช่วงในฐารนั่นล่ะทิ่สัยกองถามก็ที่สายที่เด่นไม่เข้ากันไม่ได้อย่างนั้นเลยอ่ะเออเออเออเออคได้เออนได้ไเออเออเคนได้เลย อ่ะกากวะผมก็กอ่บให้หมูเพื่อนกากอ่ร่มหญเลยหนือยกดีกัอยู่กนักน